รวมเรื่องที่มีในปาริวาสิกะขันธกะเรื่องพวกภิกษุผู้อยู่ปริวาดยินดีการที่ปกตะทตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรมนำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้การล้างเท้าตั้งต่างรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้ารับบาทและจีวรถูหลังให้ในคราวอาบน้ำ ปกตตะภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวตำหนิภิกษุอยู่ปริวาสผู้ยินดีต้องทุกกททรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสด้วยกันตามลำดับพัรษาและทรงอนุญาตกิจ5อย่างคืออุโบสถปรวรณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดวิธีประพฤติ ช, ชอบคือภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงเดินนาหน้าปกตตะภิกษุ พอใจที่สุดท้ายไม่พึงให้ภิกษุนำหน้าและตามเข้าตระกูลไม่พึงสมาทานอารัญญิกังคทุดงปินดปาติกังคทุดงไม่พึงให้เขานำบินทบาทมาส่งเป็นอาคันตุกะไปและมีอาคันตุกะมาบอกในวันอุโบสถในวันปวารณาสั่งทูตให้บอก ไปสู่อาวาดและสถานที่มิใช่อาวาดที่มีภิกษุไม่อยู่ในที่มุงบางเดียวกันเมื่อปกตจตะภิกษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะเมื่อปกตจตะภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูงเมื่อปกตจัตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่ต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่สูงหรือเดินจงกรมบนพื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม ไม่พึงอยู่ในที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาทที่มีพันษามากกว่าทำการใช้ไม่ได้ความขาดราตรีทำปริวาิให้บริสุทธิ์ภิกษุผู้อยู่ปริวาทพึงทราบวิธีเก็บวัดวิธีสมาทานวัดภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมผู้ควรแก่มานัตผู้ประพฤติมานัตและผู้ควรแก่อัพาน พระวินัยธรรมพึงทราบโดยในที่คล้ายกันรัติเฉดของภิกษุผู้อยู่ปริวาทมีสามอย่างของภิกษุผู้ประพฤตมานัดมีสี่อย่างการประพฤตให้ครบกําหนดวันกรรมสองอย่างคล้ายกันกรรมสามอย่างนอกนั้นเหมือนกันปริวาสิกะขันธกะจบ